ล้วก็ขอโมทนานะยอมอังุุนที่เป็นเจ้าภาพในการที่ทำบุญทำบุญทาบุญบ้านด้วยแล้วก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับคุณแม่ด้วยก็เลยปรารภในการที่จะเชิญหมู่ญาติมิตรทั้งหลายมาฟาังพระท่านสวดพระปริิตหรือเจริญพระปริริษ แล้วก็เลยมีศรัทธาปรารถนาอยากจะฟังธรรมะด้วยก็ให้ถือว่าเป็นการสนทนากันนะสนทนธรรมะกันเมื่อสักครู่พูดก่อนที่พระท่นานจะสวดสาธยายพระปะระิษเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของชีวิตปริยมที่เป็นนาของยอมองุ <c> ่น <oughs> ของอยู่ข้างนอกที่ว่าเป็น <c oughs> อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็บอกว่าแต่ตอนนี้อายุมากแล้วว่างั้นฉันก็เลยปารบขึ้นมาว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีความทุกข์ความทุกข์อยู่สามอย่างเห็นหมนึ่งทุกข์ของชีวิตสองทุกข์ของสังคมสามทุกข์ของสภาพสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเรากำลังเจอกันทุกวันนี้ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของทุกข์ของชีวิตเนี่ย พูดไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นทุกข์ของชีวิตยังไงก็คือกระแสชีวิตเนี่ยที่ทุกๆชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่กระแสของชีวิตไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดไอการเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าแตกดับหรือเกิดดับอย่างนี้ยภาษาพราะเขาเรียกว่าอนิจจัง คือความไม่เที่ยงมีแล้วก็กลับไม่มีแล้วก็เปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอยู่นิ่งแล้วก็คงทนและถาวรเลยเราจะมีปัญญาเข้าไปเห็นความจริงข้อนี้หรือไม่มีอันนั้นเขาไม่เกี่ยวและกระแสชีวิตที่เกิดดับสืบต่อที่เรียกว่าอานิจจังก็ดีหรือว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องถูกความเกิดและความดับคอยเบียดเบียนบีบคั้นขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์เนี่ย ตลอดถึงเกี่ยวกันเรื่องของการว่ามันไม่มีแก่นมีแกนไม่มีอัตตาตัวตนไปสิงอยู่เลยเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ภาษาพระเรียกว่าอนัตตาสรุปก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นทุกข์ของชีวิตใช่ไหมนัม่นเป็นความจริงเนี่ยทีนี้ความจริงของกระแสชีวิตเหล่าเนี้ยมันเป็นความจริงที่ยากนักหนาที่มนุษย์จะเข้าไปรู้ความจริงตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้อง ก็มาเห็นตรงนี้แหละไม่เห็นความจริงที่มีอยู่แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นความเป็นธรรมดาของสปปรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นเข้ามันอยู่อย่างนี้แหละทีนี้บรรดาทุกข์ของชีวิตที่ไปเชื่อมโยงกับทุกข์ของสังคมแล้วก็ทุกข์ของสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น น, นั่นนี่ถ้าพูดถึงในเรื่องของกฎธรรมดาก็เรียกว่ากฎของนิยามเนี่ยมันมีตั้งห้าอย่างใช่หมหนึ่งก็คืออุตุนิยามความแน่นอนของ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่ากฎของอุตุความเย็นความร้อนฝนตกฟ้าร้องดินฟ้าอากาศเนี่ยแผ <c oughs> ่นดินไหวน้ําท่วมเนี่ยซึ่งเราก็เห็นปรากฏการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรื่องอุตุนิยามซึ่งมันเป็นกฎเป็นความแน่นอนของเขาเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นไปตามเหตุแลปะปัจจัยสองประการต่อมาคือพีชานิยามกฎของพืชพันธุ์หรือกฎของพันธุกรรมคําว่าพันธุกรรมในที่นี้ก็เหมือนกับ กรณีที่ว่าคนยุโรปก็ม like to like the ีสีผ yes, ิวอย่างมีพ <un> ัน <käytt> ธุกรรมอย่างหนึ่งคนเอเชียก็เป็นอีกอย่างหนึ่งยิ่งไปแยกในยุโรปในเอเชียก็มีพันธุกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นกฎของพีชนิยามเป็นกฎของพันธุกรรมเป็นกฎของพืชพันธุ์ก็ได้อันนั้นก็เป็นความแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยประการที่สามเขาเรียกว่าจิตตนิยามไอ้ตรงเนี้โดยมากมนุษย์ไม่ค่อยเข้าไปเห็นคือความแน่นอนของจิต ยกตัวอย่างเช่นจิตที่ทําหน้าที่เห็นภาษาทําหน้าที่เห็นเขาเรียกทัศนกิตเนี่ยทําหน้าที่เห็นเขาก็ทําหน้าที่เองเขาอยู่จิตที่ทําหน้าที่ได้ยินได้ยินเสียงเป็นต้นเหล่านี้ยเขาเรียกว่าสวัสดิกใช่ไหมจิตที่ทําหน้าที่รู้กลิ่นจิตที่ทําหน้าที่รู้รสจิตที่ทําหน้าที่รู้สัมผัสถูกต้องจิตที่คิดนึกเอจิตที่เสพอารมณ์เอรับอารมณ์ทั้งหลายตลอดถึงรักษา ขันรักษาอัตภาพทั้งหลายให้ดำเนินเป็นไปตามกําลังของกรรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตตนิยามเขาความแน่นอนของจิตเวลาเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้แหละอย่างยกตัวอย่างเช่นโทสะจิตเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเนี่ยจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นอย่างเนี้ยประการต่อมาก็คือพวกกรรมนิยามไอ้ตัวกรรมนิยามเนี่ยความแน่นอนของกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เป็นกุศลเขาเรียก กุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกายทโจริทธวจีทสจริทธมโนโทสจริทเนี่ยเขาก็ให้วิบากก็คืออบายทุคติวินิบาตนรกถ้ากายสุจริทธวจีสุจริทธมโนสุจริตธเขาก็ให้วิบากคือสุคติโลกสวัสด์นี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันไปไประชมรวมกันในธรรมนิยามที่พูดถึงเรื่องกฎไตรลักษณ์ที่บอกว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต า, เ, นน า, ตาเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นต้นฉะนั้นทันี้ย้อนกลับมา เอามาอาจจะพูดในเชิงวิชาการนิดนึงแต่พอย้อนกลับมาถึงกระแสชีวิตของพวกเราแต่ละคนเนี่ยมันเป็นกระแสชีวิตที่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยอย่างนี้ถามว่าเป็นทุกข์ยังไงความเกิดนี่เป็นทุกข์ไหมเห็นไหมความเกิดนี่หลายหลายคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์นะแต่จริงๆตัวสภาวะเช่นในขณะที่เกิดครั้งแรกในคันของแม่เนี่ยเป็นกาละะที่เป็นน้ํำใสๆขึ้นมาเนี่ยนะ หลังจากนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองจากน้ําใสๆมันก็เริ่มขุนขึ้นจากที่เริ่มขุนขึ้นเนี่ยพอได้สักเจวันมันก็เริ่มกลายเป็นชิ้นเนื้อขึ้นมาจากชิ้นเนื้อขึ้นมาก็มีสันฐานเหมือนไข่ไก่พอจะอีก7วันก็จากสันฐานเหมือนไข่ไก่มันก็มีปุ่มห้าปุ่มแตกออกมาเป็นศีรษะหนึ่งเป็นแขนอีก2เป็นขาสองนี่เป็นต้นแล้วก็มีผมขนเล็บปันไล่มาตามลําดับกรณีในลักษณะของกระแสชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ย อันนั้นคือความทุกข์มันเบียดเบียนอยู่บีบคั้นอยู่และความไม่เที่ยงเป็นต้นและความไม่มีตัวตนก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ยมันเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าทุกข์ของชีวิตทีนี้ความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างยกตัวอย่างถ้ามองให้เห็นพูลุกประทามหน่อยเช่นเด็กที่อยู่ในคภนของคุณแม่เหมือนพวกเรานะเคยอยู่ในครันของแม่เราก็นั่งคดคู๋ใช่ไหมเหมือนลิง ที่อยู่ในโครงไม้เหมือนลิงอยู่ในโครงไม้เด็กที่อยู่ในคันของคุณแม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนั่งทับกระเพาะอุจจาระเออกับกระเพาะเก่ากระเพาะอาหารเก่าก็คือนั่งทับตรงที่ที่ตรงที่แม่จะถ่ายอุจจาระตรงนั้นต้องศีรษะก็มีกระเพาะอาหารใหม่ทวนเลือดทวนอยู่บนศีรษะบนกระหม่อมเวลาแม่กินของเย็นก็ไปมันก็เหมือนตกนรกขุมที่หนาวที่สุดเนี่นะ เวลาแม่กินของร้อนเข้าไปก็เหมือนตกนรกขุมที่ร้อนที่สุดเนี่ยก็มีอาการหรือกินของเผ็ดของเค็มของอะไรทั้งหลายก็แสบปวดไปตามสรีระอย่างนี้เป็นต้นแต่เด็กคนนั้นไม่เคยรู้ตัวเลยตอนเนี้ยแต่มันทุกข์ในขนาดนั้นก็จริงแต่จากการที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะระลึกได้อะไรได้เนี่ยนะตอนเนี้ยเราระลึกไม่ได้ว่าตอนอยู่ในครรภ์ น, นั้นมีสภาพอย่างไรเป็นต้นอันนั้นก็เป็นความทุกข์ของชีวิตอย่างหนึ่ง กระแสชีวิตมันเป็นแบบเนี้ทีนี้เวลาเด็กคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยเราไปถูกตัวเขาหรือเอาน้ําไปล้างเขาไปเช็ดเขาเด็กก็เหมือนเหมือนช็อกหรือต้องมาถูกอากาศมาเสียสีกับอากาศในโลกใบนี้ยเด็กนั้นก็เจ็บแตนจะทรมานใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าตอนนี้ตอนนั้นเรารู้สึกเจ็บยังไงอย่างนี้เป็นต้นอังนั้นบ่งบอกถึงว่าสติสัพพัญญาของเราเนี่ยเลอะเรือนมาก เราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้จักความทุกข์ของกระแสชีวิตจริงๆทั้งๆที่มันเป็นทุกข์อันนั้นก็เรียกทุกข์โดยธรรมชาติเหมือนเราเห็นคนแก่เนี่ยเราก็บอกว่าสวผู้สูงวัยใช่ไหมบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้หรอกจริงๆแล้วความทุกข์มันเป็นยังไงความแก่เนี่ยก็หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายผมขนเล็บฟันหนังทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเขาเริ่มทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนหรือเริ่มทําหน้าที่เริ่มไม่ค่อยสมประกอบแล้ว สลีละก็โค้งงอผิวหนังก็เหี่ยวย่นในตาก็ฝ้าฟางหูงหก็อื้ออึงทั้งหลายเหล่าเนี้ยไม่สามารถจะได้ยินเสียงอะไรได้ชัดนั่นก็คือชราล์มเข้ามาบีบคั้นเข้ามากดทับเข้ามาขัดแย้งเข้ามาเบียดเบียนกระแสะชีวิตนั่นก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทุกข์แบบที่เราเข้าใจกันนะมันมีทุกขาเวทนากับความทุกขทุกขของสังขารที่มันเป็นกับมันอะยู่ไงแต่เราเห็นคนอื่นเขาเกิดเห็นคนอื่นเขาแก่โดยเฉพาะเห็นเขาเจ็บ อวัยวะคือตาคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเริ่มทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนการทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนเนี่ยเขาเรียกว่าพยาธิแต่ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันหยุดทําหน้าที่เขาเรียกมรณะเช่นตาหยุดทําหน้าที่ใจสมองหยุดทําหน้าที่ตับหยุดทําหน้าที่ปอดหยุดทําหน้าที่ไตหยุดทําหน้าที่นั่นก็เรียกว่ามรณะคือความตายมันแทรกถ้ามันหยุดทั้งหมดเลยเขาเรียกว่า เรียบร้อยเลยกระแสชีวิตเนี่หยุดทําหน้าที่นี่เขาเรียกว่าตายนี่คือความทุกข์ทุกข์ของชีวิตที่นี้มันมีปัญหาตรงไหนเวลาเราเห็นทุกข์ของชีวิตเช่นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ามไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจกระแสที่ชีวิตที่ถูกความทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นอยู่ทุกๆุกขณะมันมีปัญหาตรงไหนมันก็เป็นตามธรรมดาธรรมชาติของมันนี่แหละ อันนั้คือกฎธรรมดาเป็นแบบนี้แต่มันไปมีปัญหาตรงที่ใจของมนุษย์เนี่ยเวลาไปรับสิ่งนี้มาแล้วก็ดูดหรือไปดึงเอาสิ่งนี้มาไว้ในใจเราพอดึงมาไว้ในใจเราแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็ทุกขแล้วก็เครียดแล้วก็กรุ่มไม่อยากให้พ่อเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้แม่เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ปู่ตายายายเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เพื่อนเป็นแบบนี้เป็นต้นกรณีอย่างเนี้ยคือว่าเอาใจเข้าไปรับทุกไปดึงดูดทุกของธรรมชาติ มาไว้ในใจของคนแล้วก็มาปรุงแต่งขึ้นมาคนก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมามองเห็นนี่ยังที่จริงความทุกข์มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้แหละมันไม่ขึ้นตรงต่อใครมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่มันไปมีปัญหาตรงที่มนุษย์ไปรับรู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยกับวางท่าทีทางใจไม่เป็นเมื่อวางท่าทีทางใจไม่เป็นก็ไปดึงดูดในความทุกข์ของธรรมชาตินี้มาใส่ไว้ในใจเราแล้วก็มาปรุงแต่งซ้ําซ้อนให้มันเป็นทุกข์ซ้ําซ้อนขึ้นมา ใส่ความเห็นใส่ความปรุงแต่งใจขึ้นมาเป็นทุกข์เครียดกุ้มบางคนปรุงแต่งจนกลายเป็นว่าเครียดแล้วก็เป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะเบิดเลยทกเพราะไปคิดอยากให้สามีเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้พ่อแม่ปู่ตายายายเป็นอย่างนั้นเพราะพ่อแม่ไม่เป็นไปนอย่างใจที่เราต้องการก็เลยมากุ่มมาทุกมาเครียดมาวิตกกังวลอย่างนี้เขาเรียกว่าปรุงแต่งทุกปรุงแต่งใจให้เป็นทุก ถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะทุกเราทำกิจในอริยสัจผิดใช่ในหลักของกำลังสี่ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไงหนึ่งปัญญาพลังกำลังคือปัญญาสองวิริยะพลังกำลังคือความเพียรความกล้าสามอนัวชะพลังกำลังคือความสะอาดบริสุทธิ์กายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาด สก็คือสังขะพลังพลังกําลังแห่งการส่งเคราะห์อันนั้นเดี๋ยวแยกแยะอันดับแรกจริงๆก็คือว่ามนุษย์เมื่อไม่ใช้ปัญญาให้มีกําลังไม่มีกําลังคือปัญญาเวลาเจอทุกข์ของธรรมชาติแทนที่จะเอาปัญญาเข้าไปรับปัญญาเข้าไปรู้แต่เอาใจเข้าไปรับพอใจเข้าไปรับขึ้นมาก็เลยไปดูดทุกข์ของธรรมชาติมาไว้ในใจเราหรือในใจของคนเราก็พากันเป็นทุกข์ อย่างทุกวันเนี้ยพอเราไปเสพข่าวสารพัดเลยเนี่ยข่าวน้ําท่วมก็เป็นทุกฝนแรงก็เป็นทุกเศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นทุกการเมืองเดือดร้อนการสังคมทั้งไรทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองโอ้โหเดือดร้อนใหญ่เลยมองไปที่ปัญหาของตํารวจก็ทุกอีกทหารก็เป็นทุกอีกไปหาหมอมองไปที่สังคมไหนแม้แต่มองมาที่พระก็บอกโอโ้เป็นทุกใช่ไหมแล้วก็เครียดก็ก้มกันนี่เพราะอะไร เพราะเราแยกไม่เป็นใช่ไหมเราแยกไม่ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาความจริงของชีวิตมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ใช้ปัญญาพลังกําลังคือปัญญาเข้าไปวิจัยพระเจ้าตรัสว่าทุกขังปรินยายังใช่ไหมอริยสัจยังแปลว่าอะไรทุกขังอ่ะทุกทุกขสัจจะเนี่ยปริญญาศัพท์นั้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของปัญญา อริยสัจเนี่ยเป็นกฎความจริงว่าเวลาเราเห็นความจริงก็หเห็นทุกข์เห <c oughs> ็นปัญหาพระุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เป็นหน้าที่ของปัญญารู้ไม่ใช่หน้าที่ของใจเข้าไปรู้ใช่ไหมทุกข์นี่นะหรือปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยถ้าเราจะมองปัญหามองอุปสรรคเราต้องใช้ปัญญาเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปวิจัยปัญญาเข้าไปแยกแยะถ้าปัญญาเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะปุ๊บ ปัญญาไปพิจารณาเห็นความจริงปุ๊บใจเป็นยังไงใจก็ไม่เป็นทุกข์ามาขยกตัวอย่างหลายอย่างเวลาเราขับรถยอมขับรถเนี่ยถ้าเกิดหลงทางปุ๊บขึ้นมาเนี่ยแล้วขับวนเนี่ยยิ่งขับเป็นยังไงยิ่งทุกข์ด้วยยิ่งเครียดด้วยยิ่งกลุ่มด้วยแปลว่าอะไรแปลว่ามันหลงทางมันไม่รู้แต่ถ้าเกิดตั้งสติปุ๊บแล้วก็ระลึกได้ปัญญามานาจิตปุ๊บ โปร่งไหมมันก็โปร่งมันก็โล่งทันทีเพราะมันเห็นทางออกแม้ฉันใดเวลาเจอปัญหาอุปสรรคทั้งหลายมันโถมเข้ามาในชีวิตถ้าเราใช้ใจเข้าไปรับปุ๊บมันจะติดตันแล้วก็จะมืดตื้อแล้วมันจะหาทางออกไม่ได้ความคิดก็จะวบวนแต่ถ้าใช้ปัญญาเข้าไปรับไปวิจัยปุ๊บขึ้นมามันก็จะเกิดพลังขึ้นมาเกิดพลังขึ้นมาก็เรียกว่ามีมีปัญญานําจิต จิตก็ไม่ติดตันมันก็สามารถเดินได้จิตก็เดินได้ให้สังเกตดูนวนะว่าเราปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธเจ้าทั้งว่าทุกขังอริยสัจจังปรินยยังเนี่ยทุกขังเนี่ยอะไรอริยสัจจังทุกขสัจจญาเนี่ยเป็นหน้าที่ของปัญญาที่เข้าไปรู้เข้าไปชำระแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใจเข้าไปรับถ้าทุกขสมุทโย อริยสัจจังประหาตับพังแปลว่าอะไรถ้าสมุทรไทยคือเหตุของปัญหาเนี่ยเป็นกิจที่ควรละควรประหารควรกําจัดมันใช่ไมไม่ใช่ควรเจริญนะส่วนก็ทุกขณิโรธอริยาาสัจจังสัจิกาตัพังเนี่ยทุกขณิโรธก็คือจุดหมายก็คือนิพพานก็ดีเป้าประสงค์ก็ดีเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่รู้ควรรู้ถึงควรดำเนินควรทำให้ประจักษ์แจ้งขึ้นมาให้ได้ ส่วนคำว่าทุกขันิโรโทรอริยสัจจังภาเวทะพังก็แปลว่ามาาารรคสัจจเนี่ยเป็นกิจที่ควรลงมือทําให้สังเกตดูนะว่ า, วาเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยเพียงให้รู้หน้าที่ว่าเราควรกําหนดรู้ควรรอบรู้แค่นี้ก่อนยังไม่ต้องไปทําอะไรส่วนสมุทัยคือความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงหรือ ก, กิเลสทั้งหลายก็ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะหน้าที่ของเราคือกําจัดใช่ไหม แต่คำว่ากำจัดจริงๆพอหลักการจริงๆไม่ได้ไปทำอะไรเลยเนี่ยเพียงให้รู้หน้าที่ก่อนนะควรละควรประหารควรกำจัดส่วนนิโรธก็คือจุดหมายที่ควรรู้ถึงไอ้ตัวภาวะที่ปลอดจากปัญหาหรือพ้นปัญหาควรรู้ถึงเราก็ยังไม่ต้องทำสรุปว่าคือทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเราทำข้อเดียวก็ข้อสุดท้ายก็คือข้ อ, ขอมรสมรก็เรียกภาวนาเนี่ยก็คือลงมือทำเช่นอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพอเจอ ปัญหาปุบขึ้นมาเนี่ยเรามาทําข้อสุดท้ายก็คือทําตัวปัญญาให้เกิดขึ้นเอ๊ะสมมุติมีคนเขาถามว่าถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงอ่ะเครียดก็ดีโกรธก็ดีเคยเป็นไหมเยิมงุดหงิดโกรธแล้วเครียดเนี่ยวิตกกังวลขึ้นมาเราควรทํำยังไงวิธีการทํางไงยอมกัทํายังไง ถ้าเกิดความโกรธและเครียดที่ยอมใช้กันอยู่ในทุกวันเนี่ยเวลาเกิดความเครียดยอมทำยังไงดีไปดูหนังฟังเพลงหายไหมไปเที่ยวหรือว่าไปหากินอาหารให้อร่อยๆหรือคุยกับเพื่อนยอมแก้ปัญหาแบบไหนเวลาเกิดความเครียดเกิดความโกรธเกิดความทุกข์ใจขึ้นมายอมทำยังไงวิธีการแก้ปัญหาตามสัญชาตญาณที่ยอมทากันมายอมทำยังไงทายัางไง ไปหากินอาหารให้มันลืมๆไปใช่ไหมทำอย่างนั้นใช่ไหมเห็นไมว่าจริงๆเน่ะหลักการจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปทำอะไรคำว่าไม่ต้องไปทำอะไรเราก็มาเจริญข้อที่สี่ทุกมันเป็นข้อที่หนึ่งใช่มหมสมุทัยคือโลภะตัวสาโมหะมันอยู่ข้อสองมันควรละแต่เรายังไม่ต้องไปทำอะไรนิโรธก็คือภาวะที่ปลอดจากราคะโทสะโมหะ นั้นควรรู้ถึงมากในภาคลงมือทําก็คือมาทําข้อสุดท้ายวิธีการทําข้อสุดท้ายก็คือทําโยนิโสโมนัิการความเป็นผู้ฉลาดคิดขึ้นมาพอฉลาดคิดขึ้นมาปุ๊บปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเดินแค่ปัญญาเราไม่ต้องไปตั้งใจว่าจะเป็นละอะไรมันเลยนะพอปัญญาเกิดขึ้นมาโทสาเกิดไหมโทสาเขาก็ไม่เกิดใช่ไหมล่ะ วิธีการคืออย่างนี้อย่าหลักการคืออย่างนี้บ่งบอกให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เห็นโทษนั่นประการหนึ่ง เ, เราไม่เห็นโทษของโทสะจริงอย่างแท้จริงถ้าเราเห็นจริงๆเนี่ยเราจะไม่กล้ากโกรธเลยเนะี่ยไอ้ตัวกําลังของโยนิโสมณฑสิการที่เกิดขึ้นที่จะมาเปลี่ยนเป็นข้อมักที่เราจะเจริญที่เราจะอบรมเนี่ยเวล า, าโทสะเกิดขึ้นนะไอ้โทสะมันเผาอะไรยช่ไหม มันเผาสภาพจิตใจของเรามันเหมือนไม่ขีดนี่แหละมันเผาตัวมันเองก่อนเส็เสร็จก็เผาการก็ไหมมือไหมกองขยะไหมบ้านไหมเมืองก็ว่าไปใช่ไหมหลักการก็เหมือนกันโทสะมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วโทสะมันสกปกถ้าเราเห็นโทสะมันสกปกเหมือนอุจจาระเนี่ยเราจะไม่อยากแตะต้องมันเลยนะยิ่งอุจจาระนั่นก็เด่นถูกหน้าเราเรายบละรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรรีบรีบรีบรีบรี เราไม่เคยเห็นกายทุจริตวิจีทุจริตมโนโทุจริตทั้งหลายว่ามันสกปกเหมือนอุจจาระมันกระเด็นโดนหน้าเราเราจะไม่อยู่นิ่งเราจะต้องรีบเข้าห้องน้ํารีบล้างอย่างรวดเร็วเลยไม่มีนะเราขอแช่ไว้พักนึงก่อนใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมเราจะต้องรีบล้างอย่างรวดเร็วเลยไม่ใช่ชั้นใดนี่เราไม่เห็นเขาอย่างนั้นจริงๆว่าโทรศัพทมันมีพิษร้ายแรงขนาดไหนมันเบียดเบียนตัวเราเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมยังไง แต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยไอตัวกำลังของโยนิสโสมณิการที่เห็นแบบเนี้ยมันเห็นแล้วมันจะสมาทานคําว่าสมาทานในที่นั้นก็คือตั้งใจมันตั้งใจอย่างนี้คําว่าเพียนเนี่ยไอคําว่าเพียรละ บ, บาปเก่ากับเพียนละ บ, บาปใหม่เวลาเพียนละ บ, บาปเก่าเนี่ยมันจะตั้งใจยังไง ร, รู้ไหมตั้งใจว่าบาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความกําหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงกายยะทุจริตวิจีตรทุจริตมโนทุจริตที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับเรา ที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับเรานั้นก็จะตั้งอัธยาศัยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้บาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายนั้นไหลเข้าสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์มันตั้งใจอย่างนี้เลยนะไอ้กาลังของกุศลที่ตั้งอย่างนี้มันมีพลังมากนะแต่คนบางคนไม่กล้าตั้งเฉยเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีความอาถรรพ์ไม่มีกําลังของปัญญาพอแล้วก็ไม่มีกําลังของความเพียรความแกล้วแกล้งพอฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเพียร เพียรในการที่จะกล้าในการที่จะละบาปกล่าวมองเห็นได้ยังสมาทานนั่นเองเหมือนคนบางคนเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งใจบอกว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดวันนี้นะไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดในกระแสชีวิตเนี่ยเราจะให้กุศลความดีเท่านั้นเกิดขึ้นไอ้กรณีแบบนี้หนไหมถ้าบาปอากุศลกรรมมันชั่วร้ายเกิดขึ้นมาก็จะละได้อย่างรวดเร็วก็จะพยายามละอย่างรวดเร็ว แล้วก็เพียรในการที่จะฝึกกายวาจาใจเขงตนเองให้คุ้นเคยกับกุศลถ้าฝึกได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็จิตก็จะอ่อนโยนต่อต่อคุณความดีนะั้นทั้งสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนะี่ยถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเราเพียรพยายามอย่างนี้ปุ๊บมันละได้ฉะนั้นเวลาบาปก็ดีอกุศลก็ดี สิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายก็ดีเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลกรรมอันชั่วร้ายเนี่ยถ้าตั้งสมาทานว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้บาปอกุศลกรรมอันชั่วร้ายนี้ไหลเข้าสู่กระแสชีวิตของเราอีกนับตั้งแต่วินาทีที่เป็นต้นไปการตั้งใจอย่างเนี้ยเ้าเรียกว่าเพียรละบาปเก่าใช่ไหมคําว่าเพียรละบาปไม่ใช่มันเกิดแล้วมันมันเกิดในขณนะนั้นนะไม่ใช่เลยนะ แต่ว่าบาปเหล่านี้มันเคยเกิดมาแล้วแต่ตั้งใจเพราะอะไรใครเป็นคนโกโรธง่ายบ้างโกโรธง่ายใช่ไหมหงุดหงิดง่ายที่คนที่หงุดหงิดง่ายเพราะไม่ได้ตั้งใจจะระและเรายังคิดว่าความโกโรธของเรามันเป็นประโยชน์กับเราด้วยเพราะเราโกโรธแล้วทุกคนฟังเรา รู้สึกถ้าเราใช้บริการของความโกรธแล้วมีคนฟังเรา mm hmm. เคยคิดไหมถ้าทำหน้าตาโกรธก็ดีเสียงดังก็ดีนะลูกก็ยอมสามีก็ยอมพ่อแม่ก็ยอมเราก็เลยใช้บริการของความโกรธแล้วเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้นี้วิธีคิดที่ผิดนะก็เหมือนเียถามว่าเหมือนเราจะให้ทานเนะี่ยสังเกตดูนะพูดถึงในเรื่องของการให้ทานเนะี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะ ยอมเคยรู้คาว่าการให้ทานโดยโดยเคารพไหมให้ยังไงอ่ะอันนี้นีนั่งสนท น, นากันนะยอมว่าให้ทานโดยเคารพกับให้ทานด้วยความยำเกรงสองอย่างนี่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงให้ความให้ให้โดยความเคารพยอมว่าให้ยังไงอ่ะ <c oughs> สมมติเรามีสิ่งของนี่นะยอมนะการให้ด้วยความเต็มใจ การให้ด้วยจิตที่อ่อนโยนด้วยจิตที่นอบน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การให้ลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าให้เพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปุงแต่งจิตเพื่อจะขัดเกากิเลสใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เราไม่เคยฝึกกันเลยนะแม้การให้ทานเนี่ยอย่างนี้ก็จะให้ด้วยความเคารพถ้าให้ด้วยความยำเกรงคือให้ยังไงอสมมุตินะเอามารู้ว่ายอมองุ่นเป็นคนมีความตันสูง ความดันโลหิตสูงอามาก็ให้อาหารเผ็ดให้ทุเรียนอยู่ตรงนี้นะกรณีอย่างนี้ชื่อว่ายำเกรงไหมอย่างเงี้ยก็เรียกไม่ยำเกรงเมื่อให้อาหารประเภทนี้ไปแล้วยอมเอาไปกินปุ๊บร่างกายของโยอมจะต่อต้านอย่างแรงต้องทํางานหนักอย่างแรงแล้วก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยจากทุเรียนก็ดีจากอาหารที่เผ็ดจากอาหารที่มีรสรส จ, จัดทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะไปเพิ่มทำให้หัวใจทํางานหนักขึ้นไตทํางานหนักขึ้นตับปอดทั้งหลายอวัยวะน้อยใหญ่ทํางานหนักขึ้นความดันก็จะพุ่งขึ้นอีกร่างกายก็จะสุ ด, สดกรณีอย่างนี้ เ, เรียกว่าให้โดยไม่ยําเกรงถามว่าให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่ยําเกรงทั้งสองประการนี้ผลของการให้ทานประเภทนี้จะเป็นอะไรผลของการให้ทานประเภทเนี้เราไปอยู่กับใครที่ไหนบุคคลเหล่านั้นก็จะกระด้างกระเดืองไม่ยําเกรงเรา ทำไมพ่อแม่ไม่ค่อยไม่ฟังคำพูดของเราลูกไม่ฟังคาพูดของเราสามีไม่ฟังคำพูดของเราเพื่อนปู่ตายายยายทั้งหลายเห็นหน้าเราแล้วกระด้างกระเดืองไม่อยากจะทำตามไม่อยากจะอ่อนโยนตามเพราะอะไรเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้เคยทำไว้แล้วเนี่ยไม่ฉลาดแม้การให้ทานมันยังมีผลแบบนี้เลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะยมนะ บางครั้งว่าเราแสดงพฤติกรรมโดยไม่ยำเกรงยกตัวอย่างเช่นเช่นเอาพระกําลังเทศสมมุตินะพระกําลังเทศเนี่ยพระกําลังกล่าวธรรมะหรือหรือมีมีพ่อแม่เขากําลังนั่งอยู่เราก็มาแสดงปฏิกิริยาคือหน้าตาคือพ่อแม่รู้ถ้าทําหน้าตาอย่างนี้พ่อแม่จะเครียดเราก็ทําหน้าตาแบบนี้ ถ้าใช้คำพูดอย่างนี้พ่อแม่จะโกรธจะเครียดแล้วก็ใช้คำพูดแบบนี้ใช้พฤติกรรมแบบนี้ลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ยำเกรงกรรมที่เราทำแบบนี้จะเป็นเหตุทำให้คนที่อยู่กับเราหรือเราไปมีเพื่อนมีพ่อแม่ปู่ตายายญ่เขาก็ไม่ยำเกรงเราเขาไม่เคารพทั้งหมดคือเหตุผลไหมเพราะเรากระทาต่อเขาด้วยกิเลสแล้วถูกกิเลสผลักดันให้ทา เราถูกความโกรธผลักดันให้ทำถูกความหลงผลักดันให้ทำถูกความไม่รู้ผลักดันให้ทำพฤติกรรมออกไปกรรมที่เราทำนั้นมันสมฤทธผลฉะนั้นอย่าแปลกว่าเรามาในโลกใบนี้เราบางทีเนี่ยอีอเราก็พยายามระทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ฟังเราเลยยกตัวอย่างเช่นว่าแม่เราอยู่กับแม่เราก็อึดอัดกับแม่มาก หมอให้กินอาหารแบบนี้แม่ก็ไม่ยอมต้องกินยาแปดโมงเก้ามงกินอาหารแบบนี้ทั้งหลายเนะี่ยเราก็อึดอัดกับแม่เหลือเกินใช่ไหมแม่ไม่ยอมทําตามแล้วเราก็เครียดเราทําอาหารอย่างนี้นะแม่อายุมากแล้วต้องกินอาหารอย่างเนี้ไปไปมามระหว่างลูกกับแม่ก็ทะเลาะ ก, กันอยู่นี่เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจชีวิต การที่เราไม่เข้าใจความเป็นไปของกระแสชีวิตนะ่ะกฎธรรมดาธรรมชาติเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนะเราจะอยู่แบบไม่ขัดแย้งนะยกตัวอย่างเช่นนะกรณีแบบเนี้ยแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเป็นโรคไตหมอก็จัดยาจัดอาหารแม่ไม่อยากกินเราก็เครียดจริงๆควรเครียดไหมไม่ควรควรทำยังไงหนึ่งใช้ปัญญาเข้าไปรับรู้ปัญหา ใช่ไหมพอปัญญาเข้าไปรอบรู้ปัญหาว่าโอ้แม่มีบุคลิกภาพอย่างนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มีสภาพใจิตใจอย่างนี้มีทัศนคติมุมมองแบบนี้ ร, รู้ให้ตลอดเมื่อรู้ให้ตลอดเบรเซ็จปุ๊บวิธีการทํำยังไงถ้าปัญญามาทํากิจปัญญาก็บอกแม่นี่ยานี่น้ํานี่อาหารที่มันเหมาะสมแก่สุขภาพของคุณแม่อย่างที่หมอบอกแต่หนูรู้นะว่าแม่ไม่อยากจะกิน นี่อาหารที่แม่อยากจะกินแต่ไม่เป็นประโยชน์แต่หนูทำให้แม่ทั้งสองอย่างเลยนะแม่นะใจของหนูหนูก็อยากให้แม่อยู่กับหนูเป็นนานๆหนูจะได้เจริญกุศลได้ดูแลแม่มันเป็นกุศลของหนูแต่หนูก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือบังคับคุณแม่ได้หรอกให้แม่เลือกถ้าแม่ปรารถนาอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะได้เป็นประโยชน์ให้หนูได้เจริญกุศล แม่ก็ทำแบบนี้แต่ถ้าแม่ไม่ปราถนาแม่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่แม่ทำด้วยก็กินอาหารแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้หนูรักแม่นะอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆถ้าเราเปิดทางเลือกให้แม่แบบนี้คิดว่าแม่เขาจะมีความรู้สึกยังไงเห็นไหมว่าเราไม่ได้ไปคอนโทรหรือไปกํากับไปบีบคั้นสภาพจิตใจก็เลยการให้ทานแบบนี้อย่างนี้ก็เรียกให้ทานนะ ดูแลคุณแม่แบบนี้เขาเรียกให้ทานนะการให้ทานอย่างนี้ก็าเรียกให้ทานด้วยความเคารพบอกด้วยสิ่งอะไรนี้ทั้งๆที่แม่ชอบมันเป็นโทษกับแม่นะจริงๆไม่อยากให้แม่ทําอย่างนั้นแต่ถ้าแม่จะกินแม่กินเองไม่ได้เกิดขึ้นจากเราผลักดันนะแต่ใจอยากให้แม่กินแบบนี้ได้อาหารที่มีคุณภาพที่ถึงที่ดีแต่หนูลักแม่อยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆแต่ถ้าไปบังคับแม่จะเครียดแม่จะโกรธหนูก็เลยทําแบบนี้ ให้แม่ตัดสินใจกรณีอย่างนี้เป็นต้นในทุกๆ ก, กรณีเนี่ยถ้าเราเข้าใจถ้าใช้ปัญญาเข้าไปรับรู้ปัญหาขึ้นมาแล้วยอมก็ชื่นใจชื่นใจตรงไหนตรงที่ปัญญาเข้าไปเห็นความจริงของชีวิตตรงที่ได้ทําสิ่งที่ควรทําและได้มนานสิการได้ใส่ใจได้ไข่ครวญอย่างท่องแท้แล้วแล้วก็ทําด้วยความเคารพทําด้วยความนอบน้อมทําด้วยความจริงใจเต็มใจตรงเนี้ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ด้วยความเคารพแล้วก็ให้ด้วยความยําเกรง มันยอมเอาของถวายทานแกส ง, สงกทั้งแกดูที่ทำไมยอมต้องเตรียมจีวรเพราะจีวรเหมาะแก่สงใช่ไหมเตรียมรองเท้าเตรียมของใช้ที่เหมาะแกสงเป็นตัวเหล่าเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าให้ด้วยความเคาเรพก็คือเต็มใจให้ด้วยความยำเกรงก็คือว่าเลือกผู้รับที่เหมาะแก่ของที่ให้แล้วก็เลือกผู้รับที่มีศีลให้ด้วยศรัทธาก็คือมีความเชื่อมั่นใจผ่องใสใช่ไหม ลองดูด้วยนะถ้าเกิดให้แล้วใจขุนมัวแปลว่าศรัทธาไม่เกิดถ้าใจเออบอิ่มผ่องใสล่าเลิง ป, ปลอดโปร่งใสสะอาดจิตล่าเลิงทั้งวันเลยเย่างเี้ยนะก่อนให้ขณะให้หลังให้กรณีงี้ก็เรียก็ให้ด้วยความเลื่อมใสการให้ด้วยความเลื่อมใสแปบลบว่าจิตนั้นถูกตกแต่งหรือยังถูกต ก, ตกแต่งแล้วกําจัดความไม่มีศรัทธาทิ้งไปทำศรัทธาให้เกิดขึ้นมาทําจิตเ อ, อิบอิ่มให้มีศรัทธาเกิดขึ้นมาให้ทานประเภทนี้จะได้อะไรจะได้ สิ่งของใดๆก็แล้วแต่ก็จะได้ของที่ดีของที่เลิศเพราะอะไรเพราะใจผ่องใสเห็นไหมมันไม่ใช่แค่วัตถุทานนะไอตัววัตถุทานมันเป็นบุญเป็นบาปได้ที่ไหนมันเป็นวัตถุมันมีชีวิตจิตใจที่ไหนแต่ตัวมาตกแต่งจริงๆคือสภาพจิตใจอะ่ะจิตใจที่เราตกแต่งปรุงแต่งจิตประดับจิตเนี่ยให้มีศรัทธาให้มีความเชื่อมัน่นไม่มีความล่าเลิงให้มีความเอิบอิ่มไม่มีความล่าเลิงผ่องใสไอตรงเนี้ขจัดกิเลสในใจได้นี่แหละ ให้ทานแล้วกขจัดกิเลสได้นี่แหละเนี่ยสภาพกุศลแบบนี้แหละที่พึงจะพึงให้เกิดให้มีขึ้นแล้วต้องให้เกิดอย่างยาวๆนานๆด้วยนะใครทําให้เกิดยาวนานได้คนคนนั้นก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสองก็ให้ด้วยความเคารพดังที่บอกเนี่ความว่าเต็มใจเนี่ย เ, เยาาขาก็เลยเคารพให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมกิริยาจะมันจะอ่อนออกมาอ่อนโยนหมดเลยนะเพราะใจเนี่ยนอบน้อมนอบน้อมใครนอบน้อมคุณกว่าพระเจ้าว่าธรรมประสงค์ พระสงฆ์ที่มาในวันนี้ท่านมีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณหรือมีคุณธรรมใดๆด้วยการที่เราถวายสิ่งของนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงคุณธรรมที่พระสงค์ท่านมีได้เถิดและข้าพเจ้าไม่ได้ปรารบเคียงแค่สมมติสงฆ์เท่านั้นข้าพเจ้าปรารบอริยสงฆ์ด้วยคือพระโสดาบันสกัดทานาคาอรหันต์พระโสดาบันสกัดทานาคาอรหันต์ท่านมีคุณธรรมเหล่าใด ด้วยการที่ข้าพเจ้านำสิ่งของนี้บูชาด้วยความเคารพนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการเข้าถึงคุณธรรมของพระทหานตาเจ้าเหล่านั้นด้วยเถิดนี่เขาเขาคิดอย่างนี้เขาจะไหมนี่เขาเรียกให้ด้วยความเคารพถามว่าให้ด้วยความเคารพจะได้อะไรจะได้อะไรอ่พ่อแม่ปู่ต า, ยาย า, ย, ายายาญาติมิตรย้อมฝึกได้เลยนะถ้ายอมฝึกแบบนี้เรื่อยๆๆๆๆนะยอมจะแปลกใจอะไรตามมาหรือไหม เออแปลกทําไมเพื่อนก็เชื่อฟังพ่อแม่ก็เขาไม่กระด้างกระเดืองแปลกมากเราให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความยำเกรงไนงะเราให้แล้วให้ให้ของที่เหมาะสมแก่ผู้รับด้วยเลือกผู้รับที่มีศีลใจเราก็อ่อนโยนในการให้ด้วยแล้วแปลกมากกุศลตัวนี้ถ้าให้ผลเมื่อไหร่นะนะเพื่อนก็ไม่ขัดใจเราพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายยายทั้งหลายแล้วบอกอะไรรู้สึกเขาน้อมที่จะทําตามปฏิบัติตามเพราะอะไรเพราะเรา เจริญกุศลเป็นนละเจริญได้ถูกต้องตามการนี่เป็นต้นมองเห็นได้ยังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ที่เป็นการลาทานคําว่าการลาทานคือให้ของที่เหมาะเช่นเอพระที่ท่านป่วยแล้วก็ให้ของที่เหมาะแก่ท่านเอพระที่ท่านไม่มีรองเท้าก็ให้รองเท้าไม่มีร่มแล้วก็ให้ร่มไม่มีจีวรแล้วก็ให้จีวรไม่มีสบงก็ให้เสบงก็มันเหมาะแก่การเวลาฤดูหนาวให้อะไรฤดูร้อนให้อะไรฤดูฝนให้อะไรคือให้ของเหมาะแก่การ พ้าถ้าจะเดินทางให้อะไรพระที่เดินที่มาหาให้อะไรเป็นต้นเหล่านีน้คือให้ที่เป็นกาลาทานจะได้อะไรจะเป็นคนไม่ผิดหวังยอมลองสังเกตดูทีว่าเนี้อโยมผู้ชายนิ น, นินทาท่านที่เป็นอาเป็นอาใช่ไหมเป็นนาใช่ไหมที่วังนินทาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยจนอยากจะกินอะไรไม่ได้กิน แต่ตอนนี้พอทำงานพอมีเงินเบ็ดเสร็จแล้วปุ๊บพอมีโรคมาจะกินอะไรก็กินไม่ได้เหมือนกันอันนี้ถามว่ยมายอมก็รู้ไหมว่ามาจากอะไรไม่รู้มาจากอากาศธามให้ของที่ผิดการผิดเวลาเราให้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ให้นะอยแปลกใจอะบางคนตอนแก่ๆในลูกๆเอาแต่อาหารดีๆมาให้กินแต่หมอห้ามหมดเลยใช่หม ฤดูหนาวเขาก็เอาผ้าฤดูร้อนมาให้ของฤดูร้อนมาให้ฤดูร้อนเขาเอาของฤดูหนาวมาให้อย่างนี้เป็นต้นคือของที่ได้รับมันผิดเวลาไอ้ของที่อยากได้มันไม่ได้ของที่ควรจะได้มันไม่ได้นี่เป็นต้นได้สามีแทนที่ก็จะคือเครื่องบระดับให้เขาก็ไม่ซื้อให้เขาไม่ซื้อให้ต้องไปหาซื้อเองเนี่ยลักษณะนี้ผิดการอย่างเงี้นะผิดหวังและมันถึงกระทบถึงการไม่พ้นทุกข์ด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นอาการ แล้วก็ให้แบบสละขาดเวลาเราให้ทานเราสละขาดไหมถ้าสละขาดเนี่ยก็เรียกเหมือนเด็ดดวงใจยื่นเนี่ยบางคนให้แล้วไม่สละขาดให้เราหหวงเอาให้แล้วหวงคือยังไงให้เสร็จปุ๊บแล้วก็ยังสำคัญว่าเป็นของตนเองอยู่เวลาเราเอาของถวายพระปุ๊บถ้าพระรับแล้วพระโยนทิ้งต่อหน้าเครียดไหมจริงไหมจริง ยอมมา gnu นเครียดไหมอ๋อเห็นไหมเหม็นมทิ้งนันการสละบางคนเนี่ยให้ไม่สลาขาดให้แล้วหวงให้แล้วยึดใช่ไหมลักษณะให้แล้วหวงเนี่ยเวลาผลทานมันให้ผลจะเป็นคนมีทรัพย์มีบุตรมีบริวารญาติมิตรนะแต่เป็นคนไม่กล้ากินกล้าใช้เป็นได้แค่ปูโสมเฝ้าทรัพย์ เฝ้าอยู่นี่แหละไม่กล้าใช้เคยเห็นไหมไม่กล้าใช้เฝ้าอยู่นั่แหละแล้วก็เจ้าของที่แท้จริงเขาก็มาเอาไปเกิดมาก็ได้เฝ้าคนอื่นนั่งดูคอยเฝ้าคอยห่วงใครจะเข้ามาบ่นด่าว่าแล้วก็ตายไปเป็นได้แค่ปู้สมไม่กล้าใช้ไม่กล้าทําประโยชน์อะไเลยทั้งๆที่ของในโลกใบนี้คนฉลาดก็ไปทำประโยชน์หมดยุ้ยแล้ว ทำประโยชน์เอากินเอาใช้ดูแลบุตรหลาน ญ, ญาติมิตรแล้วก็ว่าไปนี่ไม่กล้ากินแต่ น, น้อยกินอย่างประหยัดกินอย่างทรมานไม่กล้ากินไปค่าใจเนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยแล้วก็ให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ถ้ากระทบตนและบุคคลอื่นเนี่ยมีของก็ถูกกระทบกระทั่งถูกโจรปล้นบางรถไปจอดไว้ถูกเฉียวถูกชนอะไสารพัดหมดเลยมีของอะไรต่างๆก็ถูกตําหนิไถูกกระทําต่างๆนานานสรุปแล้วตรงนี้ก็คือ พูดถึงในเรื่องของการว่าการให้ทานของเราต้องสามารถขจัดกิเลสได้เมื่อกี้ยอมพูดเรื่องกิเลสคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจัดกิจกรรมเหล่านี้ก็ทำแค่พิธีกรรมแต่สภาพจิตใจไม่ได้ถูกถ่ายถอนได้จริงๆเช่นความไม่มีศรัทธาเป็นกิเลสเนะี่ยเาเรียกอสัตติยะไม่เคยถูกทาลายทิ้งไปเลยหรือว่าความเกลียดค้านความหดหู่ท้อถอย จเจริญกุศลฟังทำก็ดีให้ทานก็ดีไม่เคยขจัดความโอดหู่ท้อถอยในใจได้ก็เป็นกิเลสประเภทนี้ถ้าสามารถขจัดได้ด้วยความเพียรความแ ก, กล้าหา น, นี่เขาเรียกว่ากําจัดกิเลสประเภทนี้อีกอย่างนึงคือความเละเือนความฟันฟ่นเฟือนเลือนหลงมุทัสติขาสติอยู่เรื่อยหลงสติอยู่เรื่อยหรือฟันฟนฟ่นเฟือนเลือนหลงอยู่เรื่อยอันนี้เป็นกิเลสชนิดหนึง่งแต่ถ้าหากเจริญกุศลมาให้ทานรักษาสีลบ่มสติต้องกลับคืนมาแล้วก็ความพงสร้าง เป็นกันเยอะความไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นฉะนั้นสมาธิที่ตั้งมันนนมงม่นจะ ก, การฟังจากการให้ทานจากการรักษาศีลจากการเดินภาวนาเป็นต้นอันเนี้ยก็จัดกิเลสประการสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือเรียกว่าปัญญาที่บอกปัญญาพลังกําลังของปัญญาอันนี้ต้องต้องต้องชัดเจนก็หมายความว่าให้เราทั้งหลายเนี่ยต้องฝึกปัญญาให้มีกําลังขึ้นมาทําลายความหลงความไม่รู้วิริยะพลังก็คือกําลังของความเพียร ความเพียรความกล้ากล้าถ้ากําลังดีจริงๆก็เรียกสมบูรณทานใช่ไหมเพียรในการละบาปเก่าดังที่ได้กล่าวนี่แหะ <_ S 2> เพียรในการที่จะละบาปใหม่ด้วยบาปเก่ากับบาปใหม่ต่างกันไหมบาปเก่าก็คืออกุศลเก่าทุจริตเก่าเนี่ยบาปใหม่ก็คือสิ่งที่เราได้ยินที่คนอื่นเขาทําสิ่งใหม่ๆทั้งหลายที่เรายังไม่เคยทําบาปทั้งสองชนิดนี้ต้องเพียรพยายามในการที่จะละนในการที่จะละ แล้วก็เพียรในการเจริญกุศลนี้เป็นต้นและประการต่อมาคือเกี่ยวกันในเรื่องของอนาววัชพลังอนาววัชพลังก็คือกำลังแห่งความสะอาดบริสุทธิ์อน้ำส้อมอยู่ไห ม, อ, ม, ามาอามาไปยกมาเลยยกย ก, กเล ย, ยนี่หมดนะ ยอมมีอะไรจะถามไหมอ้าวนี่ครับ อธิษฐานถ้าเราดูอย่างนี้ตอนที่พระเจ้าจะตรัสรู้สมมาสัมโพุธิยาณพระเจ้าอธิษฐานว่าไงบอกว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเย็นก็ดูก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ทําลายบัลังนี้ลักษณะนี้ก็คืออธิษฐานแล้วก็ทำแต่คําว่าอธิษฐานของพวกเราเนี่ยต่างจากที่อธิษฐานในอธิษฐานบารมีนะพวกเราเนี่ยอธิษฐานแล้วขอรอผลดลบันดาลใช่ไหมนี่ยคำเห็นไหม ถ้าชาวไทยชาวพุทธส่วนใหญ่อธิฐานแล้วร้องขอรอผลเช่นเวลาเราไปกราบพระแล้วก็ไปอธิฐานขอว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ทํางานประสบความสําเร็จขอให้ลูกหลานเรียนจบแล้วก็ไปขอเสร็จแล้วก็กลับมานอนรอผลไอ้กรณีงี้คืออธิฐานของพวกเราแต่ถ้าอธิฐานบารมีที่พระเจ้าทรงสอนและที่พ ร, ระเจ้าปราถนาให้พุทธบริษัทดําเนินก็คือว่า ตั้งจิตอธิษฐานว่าเนื้อและเลือดเนี่ยดูตรงนี้จะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดทีองค์ที่หนึ่งหนังองค์ที่สองเอ็นองค์ที่สามกระดูกที่สี่เนี่ยความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่ 4. จะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมพธิธญาณแล้วจกไม่ถอนจะไม่ทําลายบัลลังก์จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี่นะแล้วก็ ดำเนินการทําเลยเนี่เมันกันถ้าอธิษฐานลักษณะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างพวกเราอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์ในอัตภาพนี้ให้ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัฏทุกได้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วย เ, อเถอดพออธิษฐานเสร็จปุ๊บ ก, ก็ฝึกเลย ดำเนินฝึกตนเองทั้งพฤติกรรมจิตใจโดยเฉพาะปัญญาเพื่อดำเนินไปสู่ความสิ้นจากกิเลสและกองทุกให้ได้ไม่ยอมจำนนตต่อกิเลสแล้วก็ฝังอัทยาศัยไปอย่างเงี้ยถ้าถามว่าคำว่าลงสู่ภวังเน่ลงยังไงทุกวิถีทุกชาวนะที่เราตั้งใจมันจะลงเข้าสู่เก็บไว้ในประวังจิตมันจะเป็นอัธยาศัย ทำมาเป็นอัตยาศัยมันจะกลายมาเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นมีความแกล้งกล้าอาถรรพ์ก้าวไปใจสู้เวลาเจอปัญหาปบขึ้นมามันจะมีพลังคนโอเฟสเนี้ยจะเป็นคนไม่ท้อถอยยิ่งเจอปัญหามากจะยิ่งมีพลังมากแล้ว <c oughs> มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันฝังเข้าไว้ในบวงกับจิตมันเลยกลายเป็นอุปอนิสยะเขาเรียกวเป็นปกประตูปนิสยา เป็นอุปนิสยปัจจยสติก็คือเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังมันจะเป็นอัธยาศัยของคนคนนั้นเลยประเภทที่คนเกล้ากล้าอาถานก้าวไปใจสู้เป็นคนเจอปัญหาไม่ได้เพราเจอปัญหาขึ้นมาเหมือนมีพลังขึ้นมาเลยแล้วมันจะเกล้ากล้าไม่กลัวต่อปัญหาและอุปสรรคถึงแม้อย่างยกตัวอย่างเช่นเส่วรรณสามใช่ไหมที่ท่านไห้องเห็นไหมเอ อ, เ อ, อพระมหาชนนกขอไป ในพระหมหาชนกเนี่ยในยามที่คนอื่นเขาพากันร้องขอให้เทพเจ้าช่วยเทวดาช่วยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมระ ง, งมกันหมดตอนเรือค่อยๆจมท่านมาพิจารณาด้วยปัญญาเบ็ดเสร็จปุ๊บท่านก็ไปเอาน้ํามันมาทาทาตามเสื้อผ้าใช่ไหมเบ็เสร็จแล้วท่านก็ปีนขึ้นเสาเรือท่านอธิษฐานวันนี้เป็นวันเป็นวันพระ ท่านสมาทานอุโบสถศีนเสร็จท่านก็ปีนขึ้นเห็นไหมในยามที่คนอื่นเขาเน้นมีพลังขึ้นมาทันทีเลยแล้วท่านบอกว่าท่านจะไม่ตายท่านจะต้องออกจากปัญหาและอุปสรรคนี้ให้ได้ท่านก็ขึ้นไปบนเสากระดงเรือก็โตดให้ไกลที่สุดให้ไกลตัวสัตว์ลายทั้งหลายเลยนั้นแล้วในส่วนจริงท่านก็วหวแล้วท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะต้องไหวถึงฝั่งทั้งๆที่ไม่เห็นฝั่งเห็นไหมแต่ท่านเชื่ออะไร เชื่ออานิสงของความเพียรเชื่ออานิสง์ของวิริยะมีความมุ่งมั่นมีความกแกล้ากลาอ า, าถานเทว่าให้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเพียรไปให้ถึงที่สุดแล้วจะต้องไปถึงฝั่งให้ได้ท่านตั้งใจอย่าเงี้ยจะต้องถึงให้ได้ต้องถึงให้ได้ท่านทําอย่างเงี้เจ็ดวันเห็นไหมเนะี่ยและเทวดายังมาถามบอกว่าเ อ, อทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่เห็นฝั่งความเพียรของท่านมันไร้ผล ถ้ารู้ว่าความเพียรมันไร้ผลแล้วท่านจะเพียรไปทําไมท่านก็โตตอบเทวดาว่าไงท่านบอกว่าท่านเข้าใจผิดแล้วความเพียรไม่เห็นไร้ผลเลยบรรดาคนที่เขาไม่เพียรทั้งหลายก็พากันตายหมดแล้วนี่ข้าพเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ผลของความเพียรหรือเขาจะยางเห็นไหมความเพียรมันมีผลอีกอย่างหนึ่งถ้าข้าพเจ้าเพียรอยู่แล้วก็ตายไปในระหว่างที่ทําความเพียรชื่อว่าเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดบัณฑิตก็ไม่ตีเตียน เนี่ยเห็นไหมคนที่ฝังอัธยาใัยอย่างเนี้ยมีความแกล้ากล้าอาถานอย่างนี้ลงสู่ภวังเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะไปเกิดในอัตภาพใดถ้ายังไม่พ้นทุกจะเป็นคนที่มีความแกล้ากล้าอาถานมากคนประเภทนี้นั่นเขาเรียกมันลงสู่เบื้องลึกของจิตใจเขาเรียกผวังกับจิตแล้วก็สั่งสมเป็นอัธยาัยเหมือนอโลพัชชาสยะนี่อัธยาัยไม่โลภอโทสัชชาสยะอัธยาัยที่ไม่โกรธอโมหะ ชาสยะอัตฉยาสายที่ไม่หลงแล้วก็นิสรณนัทัดอาชายอาสยัสอัตฉยาสายที่น้อมออกจากกามออกจากภพเป่าวิเวสกับอัจฉยาสายกับอัตฉยาสายคือการน้อมเข้าสู่วิเวกมีกายวิเวกเป็นต้นแล้วก็เนคข ม, มัชชาสยะอัตฉยาสายในการที่ต้องการบาเพ็ญเนคข ม, มัคนบางคนเนี่ยพอจําความได้ก็อยากบวชเนี่ยเพราะเขาบำเพ็ญอัตฉยาสายเขาฝังไว้ไงใช่ไหมคนบางคนก็ ไม่เอาเด็ดขาดเลยเรื่องบวชไม่เอาเลยเห็นโอ้โหไม่ไม่อยากจะบวชอย่างเงี้ยนั้นอัธยาศัยเนี่ยมันมีการสั่งสมกันมาดังนั้นถ้าถามว่าเวลาเราตั้งอัธยาศัยตั้งอธิฐานธรรมอย่างเงี้ยทําอย่างไรให้ฝังลงไปก็คือว่าให้มีความตั้งมั่นแล้วแน่วแน่เช่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเราใดพ้นจากวัฏฏุกได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเรา ด, ด้วยถึงเหมือนเรากราบพระเนี่ย อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุธทธังพระววนตังอะพิวาเทมีมีถ้ากราบเฉยๆไม่มีอัธยาศัยเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้เป็นอัธยาศัยจริงๆนะวาพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เส้นเจลิงดัดตัสรู้ชอบได้ด้วยพระ อ, องค์เองข้าพเจ้าอภิวาก็แปลว่าข้าพเจ้าเนี่ยบอกว่าพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้อริยสัจสี ตื่นจากความหลับไหลคือกิเลสเบิกบานคือความเป็นเอสริดอิสระเสรีภาพตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้กราบลงไปฟังไหมอัจยาิยสายลงไหมเงี้ยมันเข้าสู่อัตยาิยสายเลยไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหรันเราเชื่อมัน่นท่านดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงแล้วข้าพเจ้าอภิวาสสั์นั้นแปลว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้กราบลงไป พอสว่าขาโตรรพระกวตาธรมโอธ ร, รมังนมัสสามีเขบอกว่ า, วาพระธรรมเป็นธรรมที่พระุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขาว้าพเจ้านมัสการพระธรรมแปลว่าอะไรพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิความงามในท่ามกลางปัญญาเป็นความงามอันสูงสุดข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้ น, นคนรรือศีลความงามในท่ามกลางคือสมาธิความงามอันสูงสุดคือปัญญาตามพระธรรมนั้นให้ได้ก็กราบลงไปถ้าทําอย่างนี้นมันจะฝังเป็นอัธยาศัยไม่ใช่กราบธรรมดาแล้ว สงสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์เนี่ยก็แปลว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากปุถุชนคนที่หนานแน่นด้วยกิลเลสเป็นเข้าสู่ความเป็นสงอรลยสง์ตามสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้ก็กราบลงไปแบบเนี้ยเขาเรียกว่าฝังอัตยาศัยให้ลงสู่ประวังกัจิตแล้วก็จะกลายเป็นว่าไม่ใช่กราบแบบเลื่อนเลือนเลอะเลือนล่ อ, ลองลอยแล้วกราบแบบมีจุดหมายมีเป้าหมาย แล้วใจก็จะน้อมในการที่จะฝึกตนเองขัดเกลาตนเองอย่างๆเราทำแบบนี้ได้ยางถ้าทำอย่างเนี้ยมันจะเกิดความมุ่งมั่นแล้วก็จะได้สลานะยอมจำไว้ว่าคนไม่มีที่พึ่งเนี่ยเป็นคนหน้ากรุณาคาว่าไม่มีไม่มีศีลเป็นที่พึ่งไม่มีสมาธิปเป็นที่พึ่งโดยเฉพาะไม่มีปัญญาเป็นที่พึ่งเราก็มีกิเลสเป็นที่พึ่งโหน้ากรุณา เวลาเขาพูดให้โลภก็โลภพูดให้โกรธก็โกรธพูดให้หลงก็หลงเขาไปทําอะไรต่างๆก็ไหลไปดูหนังดูละครเที่ยวไอเตะเนี่ยคนไม่มีที่พึ่งก็สเสพสป่าไปทั่วแต่ถ้าคนมีปัญญาเป็นที่พึ่งปุ๊บดูหนังดูละครก็แยกแยะได้มีตัวปัญญานําพาชีวิตมองออกไหมจะทําอะไรก็มีปัญญาคือแสงสว่างของปัญญานําทางนําพาชีวิตตลอดเลยคนคนนี้ก็แหละคนได้ที่พึ่ง แล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการเดิมดำเนินชีวิตมีพระธรรมเป็นหลักดําเนินชีวิตและมีพระสงฆ์เป็นหลักในการดําเนินชีวิตสมควรแก่เวลายอย่า ง, อ, งาอ้าวัคือคืออย่างนี้จริงๆแล้วโดยหลักการตรงเนี้เราจะสร้างบ้านเนี่ยเราต้องมีคือ ม, มนุษย์มีปัญญามากกว่ามด มีปัญญามากกว่าสัตย์รชานเราต้องไม่เบียดเบียนเขาและต้องมีวิธีการมีวิธีการป้องกันเขาพระธิจ้าสอนเรื่องการป้องกันวิธีการป้องกันเนี่ยเขาให้ป้องกันก่อนไม่ใช่ไปป้องกันหรือไม่ไปจัดการตอนที่เขาขึ้นเขาจะยางเขาให้ป้องกันก่อนทุกวันนี้เวลาเ้าจะปลูกบ้านทำลายทั้งหลายเนี่ยเขาจะอัดยาไปป้องกันไว้ก่อนตรงนี้ต้องฝึกทาไว้ก่อน เข้าใจอย่างอย่างเงี้ยเวลาที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเขาป้องกันด้วยก่อนได้หมดเลยเข้าใจอยังเขาทําแบบนั้นวิธีการเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยเขาไม่ไปฆ่าสัตว์หรอกแต่เขาป้องกันเพราะความที่มนุษย์ เ, ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นสัตว์ที่มีปัญญามากกว่าสัตว์เดรัจฉานมีวิธีการป้องกันเยอะแยะและมันมีรายละเอียดเยอะในกรณีเรื่องเรื่องเหล่าเนี้ยมันสามารถจะดําเนินชีวิตได้โดยชนิดที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนกระแสชีวิตเขา มันมีหลักการในการปฏิบัติได้ทุกทุกแง่ทุกมุมแต่เพียงว่าเราจะสามารถเข้าใจก็กระทําหรือไม่เท่านั้นเองสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์ตายลงด้วยความเพียรหลักการมันมีข้อวัดอยู่ในกรณีถ้าเราจะบอกให้เข้ามาดูแลยังไงทั้งหลา ย, ยก็ต้องมีวิธีในการบอกอย่รหย่างอื่น เอาไว้เวลาอืม อ, อ๋ อ, อ, อคืออย่างนี้ต้องแยกแยะอย่างเงี้ยตัวเชื้อโรคเนี่ยพวกนี้ไม่ถือว่ามีชีวิตพวกนี้เป็นพวกเป็นอุตุนะมันเกิดจากอุตุไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีขันห้า พวกสัตว์พวกเซลเดียวสองเซลทั้งหลายเราเนี้ยนะสัตว์พวกนี้มันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เป็นกระแสชีวิตนะแบบนั้นนะ่ะมันเป็นอุตตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุเราไปฆ่าอย่างนั้นเราไปทําลายไม่ได้เป็นบาปอะไรเลยยกเว้นพยาธิ่พยาธิที่เป็นสัตว์มีแต่ถ้ากินยาที่จะถ่ายพยาธิเนี่ยไม่เป็นเพราะมีเจตนาที่จะถ่ายออกไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าแต่ถ้าไปเอายาฆ่าเขาเนี่ยเป็นอนี้ต้องดูรายละเอียด พระท่านยังมีวินัยให้ถ่ายถ่ายพรยาดได้ถ่ายยาดได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดเอกกรณีที่เนื้อสัตว์ไม่ได้เกี่ยวกับบาปนะตรงนี้นะในอามะคันธสูตรอามะคันดพรามเนี่ยอามะคันดพรามอามะอฤาษีตกลุ่มฤาษีกลุ่มเนี้เจ็ดร้อยกว่าคนห้าร้อยกว่าคนเนี่ยแต่ก่อนก็มีความเข้าใจแบบเนี้ยไม่กินเนื้อไม่กิ น, ก, นกินแต่ผักกินแต่หญ้าเหตุที่ที่กินได้ผักเนี่ยเขาคิดว่าไปกินเนื้อเนี่ยมันผิด ว่าเป็นเป็นกลิ่นดิบมันเป็นกลิ่นที่ไม่สะอาดใช่ไปคิดอย่างนั้นแท้ที่จริงเนี่ยยอมจะกินเนื้อหรือไม่กินเนื้อเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วเขา้าใจยังฉะนั้นการกินเนื้อไม่เรียกว่าเป็นบาปไม่เรียกว่าเป็นบาปเพราะว่าเขาฆ่ากันแล้วมันตายอยู่แล้วยอมไม่ได้มีจิตคิดจะฆ่าเห็นไ้ยไม่ได้มีความเพียรเพื่อฆ่าระวังไว้ก่อน อ๋อถ้าอย่างนั้นเป็นอ๋อนั่นแหละเราเจตนาฆ่าเขาแล้วก็เขารู้มันเป็นอยู่ทีงเกตุไหมถ้่พราไปพระไม่กล้าสั่งกันนะพระก็เลยแต่ยอมสั่งเรื่องของโยม